ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รโรบบพติญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสมาคมมันตะในข้อที่สองคืออธินาทานในบทที่ทรงแสดงในอรเมักจริงๆทรงใช้คำว่าอธินาทานาเวรมณีแปลว่า ง, งดเว้นจาก การเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ในส่วนที่มาเป็นสิกขาประทางสมาธิยามินันเป็นเรื่องที่คนเขาต้องสมท า, านสีนอแต่ในขณะเดียวกันเวลาทรงแสดงอธิบายเช่นว่าทรงแสดงอธิบายไว้ในจุลศีลในทีฆนิกายนะครับอธิบายถึงคนที่รู้จักพระองค์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 เราลองสังเกตอาการทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นอาการเขาธรรมะคือตอนแรกมันก็เป็นอาการเขนนาศีลอยู่นั่นแหละแต่ว่าเสร็จแล้วเดินไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นอาการเขาธรรมะเช่นว่าละการลักทรัพย์เนี่ยเป็นศีลเว้นขาดจากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นศีลที่ประนีตขึ้นเป็นส ม, มุทเฉททวีรัตนะแต่รับแต่ของที่เขาให้เนี่ยมันเป็นธรรมะนะต้องการแต่ของที่เขาให้เป็นธรรมะ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเนี่ยมีาการที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็เป็นผู้สะอาดนะั่นเป็นผลเป็นผลที่ปรากฏให้เห็นทางกายกรรมวิกรรมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรักเนี่ยรักเองก็ได้นะฮะใช้คนอื่นรักก็ได้มันก็ถือว่าเป็นการรักเพราะเรื่องอธินาทานจะมีในะที่ จะนำผู้ฟังไปศึกษาค่อนข้างพิสดารพอสมควรปพราะตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสพูดในเรื่องเหล่านี้ถ้าพูดก็พูดในชั้นเรียนไปสอนหนังสือไปสอนนักเรียนในชั้นเรียนเท่านั้นแต่พูดเป็นการสาธารณะนีิว่าไปข้อเดียวมันก็แย่แล้วมันก็ยาวนะฮะเรื่องมันค่อนข้างพิสดารแต่ประเด็นแรกก็คือว่าการเว้นขาดการละการรักษา คำว่าทรัพย์เนี่ยหมายถึงวัตถุที่นําความปลื้มใจมาสู่บุคคลเราโดยประเภทมันก็มีสองประเภทใหญ่ๆนะคือสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์คือเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยไทรัพย์เคลื่อนที่ได้เนี่ยบางทีมันเคลื่อนที่โดยตัวมันเองเช่นว่าสัตว์เลี้ยงบางทีเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนย้ายของบุคคลแต่ทรัพย์บางอย่าง มันเคลื่อนที่ไม่ได้จริงๆนะฮะเช่นว่าที่ดินอย่างนี้มันเคลื่อนที่ไม่ไดนะ้บ้านสมัยนี้อาจจะเคลื่อนที่ได้แล้วนะฮะเคลื่อนที่ได้แล้วอาจจะรื้อไปได้แล้วแต่สรุปว่าก็คงอยู่ในสองประเภทมันเป็นสิ่งที่คนเ็าปลื้มใจคนก็พอใจเขาเป็นสุขในการที่ได้ครอบครองอย่างสุขก็คือหาที่ว่าไวเนี่ยสุขจากการมีทรัพย์เพราะการละการรักทรัพย์เนี่ย มันแสดงถึงจิตสำนึกที่สูงส่งอยู่ภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นว่าคิดง่ายๆนะฮะว่าทรัพย์ของเราเราก็รักทรัพย์คนอื่นคนอื่นก็รักพร้อก็งดเว้นสำรวมระวังไม่ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นแต่การเหล่านี้ยังมีรายละเอียดซึนะ่งจะพูดในโอกาสต่อไป การต่อไปเป็นการเว้นขาดอันนี้มันเกี่ยวกับวิรัตนะครวิรัตคือการงดเว้นเนี่ยมันก็มีอยู่สามระดับระดับหนงก็ได้สมาทานวิรัตเช่นการสมาทานศีลคือไปสมาทานศีลกับพระยังมนีนานมาแล้วเคยได้ยินเรื่องก็เล่าให้ฟังว่าลูกเขคยคนหนึ่งเนี่ยเขาไปแต่งงานกับลูกสาวของอุบาสกบาสิกา เาสาวเาก็ดีนะฮะเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็รักษาศีลห้าในครอบครัวนี่เ็ารักษาศีลห้ากันหมดทุกคนปัญญาก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยก็รักษาศีลห้ากันนะพี่พอนพี่เองก็ต้องรักษาศีลด้วยไอ้เสื้อนี้ไม่เคยรักษาศีดไม่เคยรู้เรื่องไอ้ตัวพัญญาเองก็อธิบายความไม่กระจ่างก็ อธิบายเพียงว่าก็พี่ถือดอกไม้ทุกเทียนไปแล้วก็ไปถึงก็กราบพระแล้วก็ถวายทุกเถียนของท่านทุกเถียนแก่ท่านแล้วก็ท่านว่ายังไงพี่ก็ว่าตามมันสั่งสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้ความเพราะว่าจะไปขอสีทอย่งงางนั้นมันต้องมาอย่างปฏิรองอาราธนาสิไอเกิดใหม่มันก็ไม่รู้เรื่องนะฮะพอประเคนเสร็จแล้วก็กราบ พระท่านก็บอกอาราธนาศีลแกก็ว่าอาราธนาศีลร่มเยี่สั่งไว้นะว่าพระว่าอย่างไงก็ให้ว่าตามพระก็บอกไม่ใช่ให้เธอนะาอาราธนาศีลแกก็บอกไม่ใช่ให้เธอนะาอาราธนาศีลพูด ก, กันไปพูด ก, กันมาก็พูด ก, กันไม่รู้เรื่องนะฮะพระเองก็คงจะย่อนการอธิบายไปหน่อยหนะึ่งในที่สุด พระก็คโคมโหหิวอะไรขึ้นมาไม่รู้เลยไป เ, เคหัวแกก็เคหัวพระด้วยเลยก็ปลุกปล้ํำกันเป็นการใหญ่เสร็จแล้วก็กลับไปบ้านบอกว่าไปบอกเมียบอกแม่กว่าท่านจะให้ได้เนี่ยเกือบตายเลยนะท่านแข็งแรงด้วยนะปล้ำเมาเส่าตกใจต้องไปขอกระมากับพระพระแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะฮะไม่รู้เรื่องมันเป็นยังไงไปอันนี้ก็คือเป็นเกรด ที่แสดงให้เห็นนว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องพื้นๆนะบางทีเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าตัวเนี้ยจะทํำยังไงถึงจะเป็นการถูกต้องเพราะแนวของศีลจริงๆมันเป็นเจตนาซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราเจตนาการวิรัติการงดเว้นการสัมรวมการไม่ร่วงละเมิดเจตสิกนะปกติการปกติวาจานี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิจดจากจิตเราเอง รูปแบบของการสมาทานเป็นรูปแบบใล้ายๆกับหาสักขีพยานที่ยอมรับว่าเราเป็นคนสมาทานศีลเท่านั้นเองแต่ก็มีประเพณีเป็นอันมากในเราไปในงานต่างๆนะฮะก็ อ, อยู่จังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยเราพูดได้นะฮะแต่พอมาอยู่ในเมืองหลวงนี่พูดยากนะฮะทางๆที่แม่บางทีเนะี่ยเราก็เห็นอะไรมันมันเกินเหตุเกินผลไปแล้วพอดีเราก็ไม่มีโอกาส คือไม่ได้เกี่ยวข้องในงานลักษณะ น, นี้อยู่ด้วยก็ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสพูดชี้แจงอะไรแต่ต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องพูดกันก่อนนะถ้ามีงานที่งานศพอย่างนี้เขากินเหล้าเขาเต้นเขาสนุกสนานกัน เ, เขาจะรับศีลถามมารับาอะไรถ้ารับตามประเพณีไม่ต้องรับก็ได้อยู่แต่ถ้ารับเราต้องรักษาศีลนักศีลโยกไม่ดื่มเหล้าไม่ได้สนุกสนานไม่ได้ เราก็ต้องพูดตกลงกันก่อนเพื่อต้องการจะบรรเทาปัญหาเนี่ยฮะอย่างน้อยพวกที่รักียรักษาศีลสมาทานศีลเอาไว้แกก็ไม่ดื่มเหล้าแกก็ไม่อาวยวายไม่ไปเล่นการพ น, นันไม่ไปคาดสาัวตว์อะไรอะไรก็มันก็ได้นะก็ได้ก็ช่วยกันได้แต่ว่าในสังคมเมืองหลวงนี่พูดอะไรไม่ได้เลยอย่างกนณีเรื่องศีลเนี่ย แล้วมาเวลาไปให้ศีลกับเด็กๆเนี่ยเราจะแปลให้ฟังแปลซ้ําๆซากๆแปลเบื่อมันชินหูของเธอว่าเธอได้ให้สัตว์ปฏิญาณมาว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วก็ต้องสำรวจระวังให้ได้แต่พอไปให้กับคาราวะชาวบ้านเนี่ยเราก็ไปแปลอย่างนั้นไม่ได้บางก็เหมือนก็ดูหมิ่นเขาเพงคนก็ทําให้เรื่องบางเรื่องนี่เลยไม่ได้รู้กันเพราะในคําว่า เว้นขาดจากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นอาการสมาทานศีลอีกระดับหนึ่งแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะฮะพระเจ้ามันเกิดขึ้นจากมรรคคือสมากรรมตะสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะของพระองค์นี่สมบูรณ์มันก็เกิดเป็นสมุเดเฉดทวิมุติคือหลุดพ้นเด็ดขาดมันไม่ใช่ว่าเป็นสมุเดเฉดทวิรัตของพระองค์มันหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดหลุดพ้นจากกิเลสกอมหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ไม่ไปเราเมื่ศีลเรา เพราการสมาทานศีลแบบมาอย่างพันเตเนี่ยเราทําจนเป็นรูปแบบที่น่าคิดกระโจงนี้ที่จริงมันาศาสนาปฏิบัตินะฮะไม่ใช่าศาสนพิธีจะเราไปให้ความสำคัญแก่ความเป็นาศาสนพิธีจะต้องอาราตนาศีลจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ไหเนี่ยหรือแม้แต่คนมาถวายสังฆทานเนี่ยเราก็ไปสร้างธรรมเนียมขึ้นมา อายา่าโยมสมาทานศีลซะก่อนแล้วก็ว่าอย่างงั้นว่าอย่างนี้อย่าง น, นั้นคือที่จริงนศีลมันควรจะเป็นเรืนใจเป็นหลักเป็นหลักใจเราเอามาประยู่เป็นประเพณีเนี่ยในที่สุดเราก็ไม่ตั้งใจจริงอะไรหรือไม่สานึกรับผิดชอบอะไรสมาทานก็สมาทานจบก็จบแล้วในที่สุดไอ้ผลที่เราต้องการได้จากศีลจริงจริงสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโปกสัมพทาเนี่ยมันก็ได้ยาก าการเวทขาดมันเป็นสมท า, านอีกประการหนึ่งนะฮะแนวสมท า, านระดับสมท า, า น, น่ะเขาเรียกสมุจเจโตสมุจเจตไม่ใช่คือสมุจเจตตะปหานสมุจเฉตตวิรัตน์งดเว้นเด็ดขาดที่มีการงดเว้นเด็ดขาดเงดเว้นตั้งทห้าข้อเดี๋คงไม่ได้หรอกมันก็เลือกงดเว้นเอาจะเอาอะไรล่ะอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะปัญหาสังคมที่มาแรง ปัญหาโรคเอดปัญหายาบ้าเนี่ยมัน ด, ดูตัดเป็นปัญหาที่อึดอัดคุณสลังบุญนาคเป็นเข้ามาขอตมาเป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรมในมูลนิธิของแ ก, นกเนี่ยนะอะไรอ่ะบีวันวีวันอะไรเนี่ยวันวีอะไรเนี่ยก็ยังไม่อยากจะไปเพราะว่ายังคกล้ๆกับเรื่องอะไรยังไม่ลงตัวแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นโรคที่ไม่น่าจะให้เป็น่ มันวิ่งเข้าไปชนปังต่อแท้ๆเลยคือยังนึกว่าท่านนี้แหละเราก็มีครอบครัวมีสามีพันยาอยู่นี่แหละแต่ว่าก่อนแต่งงานเนี่ยก็ตรวจโรคกันให้เรียบร้อยรับประกันตัวเองว่าไม่มีไอเชื ure, ้อ h อ v อะไรเนี่ยแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็รักษาศีลห้าเสียก็จบละ รักษาไม่ได้ก็วิรัตเอเด็กขาดสักข้อหนึ่งข้อการเมือสมิชาจาร์ไม่สำสอนทางเพศแล้วก็ข้อสุราไม่โมดสมสิ่งเสียติดทั้งหลายแก้ปัญหาศีลธรรมแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาความมั่นคงได้เยอะตรงนี้ลองดูเถอะเราจะเห็นกระบวนการของเขาทีนี้ ต่อไปก็อาจจะวิรัตอีกสักข้อหนึ่งจนข้ออะไรล่ะข้อกามเม่ทีนี้กามเมเนี่ยเราจะเห็นว่าเราวิรัตขาดแล้วก็มาถึงอธินาอาธินางดเว้นเด็ดขาดไม่พอใจยินดีชอบใจที่จะได้ทรัพสมบัติมาในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมให้มีเป็นทองคํามาอะไรต่ออะไรกตามก็ไม่เอา มันขึ้นอยู่กับการมองขึ้นอยู่ ก, การมองและให้เกิดความโลภก็ได้เกิดความรอบอับผิดชอบก็ได้มันก็นอยู่กับการมองของเราเมื่อคิดเราเองนะเราจะเห็นว่าพนักงานธนาคารที่เขายุ่งเกี่ยวกันเงินพิมพ์พิมพ์มการคืนตัดเงินระดเงินอะไรแตัวใดนี้โอ้ยพวกนี้อยู่กับเงินไม่รู้กี่พันพันล้านแต่แก่ถือเป็นงานเท่านั้นเองถือเป็นงานเท่านั้นเดี๋ยวก็ถามได้ เพเนพอเรามองเห็นโทษเราก็งดเว้นเอาสักอีกข้อหนึ่งอธินาถานในงดเว้นแทนแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมุสาวาดนะทําสัตว์ให้ตายกับสัตว์ใหญ่ๆนี่อย่าไปทําอาจจะมีมดมีปลวกอะไรตอะไรตายบ้า ง, งนะฮะแล้วกง็งดเว้นเด็กขาดไปเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยแตนี้เป็นเรื่องสามัญชน ทำับพระอริยบุคคลเนี่ยเข้ามาด้วยโซดาปฏิมาษ์นะตั้งแต่โสดาปฏิมาษคแล้วศีลสุบูร์เนี่ยตั้งแต่โซดาปฏิมาษ์ท่านไม่ต้องสมาทานศีลหรอกเพราะศีลท่านเป็นโดยอัตโนมัติแล้วในแนวหนึ่นเงเนี่เป็นสัมปัตตวิรัติหรือเป็นการงดเว้นเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นเรายังไม่ต้สมาทานศีลมาไม่รักษาศีลมาเราพอดีมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เราก็มองเห็นเป็นบาป บ, บุญคุณโทษฉันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยว่าไปเห็นเงินคนอื่นวางทิ้งไว้เนี่ยเราสังเกตเราตรงเนี้ยถ้าเราเมตตาเป็นสากลเนี่ยเราไม่ลักแล้วศีลข้อที่สองไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าเมตตาสากลได้นะฮะเพราะเงินนั้นมันเป็นของคนอื่นนอะไม่ใช่ของเราก็ของคนอื่นก็เท่า น, นั้นเองทรัพย์สินทั้งหลายในโลกเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มนะนั้นเองคือของเรากับของคนอื่นเมื่อสิ่ง น, นั้นไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่น ของคนอื่นเราก็ไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปล่วงละเมิดที่จะไปหยิบฉวยเอาที่ไปยกักยอกลักซ่อนลักษรัตร์อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ตัวนี้ถ้าเราเมตาก็จบละตัวนี้ไม่ต้องเราแก้มาได้ตั้งแต่เมตตาแล้วแต่ที่เมือม่อเมื่อเมื่อแก้ไม่ได้มันก็ปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งคือเว้นขาดจากการลักษรัตย์ แต่ว่าคนเราต้องต้อ ง, ต, องต้องมีปัจจัยสีนะฮะต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องบริโภคใช้สอยเพ้าสิ่งที่เขานำมาให้ใช้เนี่ยเราย่าลืมว่ามันมีเขาเรียกอุปโภคบริโภคนะฮะเครื่องใช้ของกินของใช้เนี่ยยังในสมัยนีย้เป็นเป็นเรื่องที่น่าห่วงหลายปีมาแล้วมาเคยเจอเหตุการณ์ลูกศิธ์เขาไปถังปักได้ ก็ซื้อวิทยุเครื่องใหญ่ดีมากอะนะท่าทางเนี่ยเอามาถวายก็เราก็าดีเหมืนนนะะอนกันน่นะฮะตอนการฟังข่าวคราวอะไรแต่ไรก็ได้ฟังนะแต่เสร็จแล้วกข อ, อธิบายสัรพคุณเนี่ยอธิบายเพลินเลยมันหลุดปากกันมาคำหนึ่งบอที่จริงราคามันแพงกว่านี้แต่นี้เป็นของหนีภาษีในราคามันถูกเราก็บอกให้เอากลับไปเลย คือเขาเองก็ภูมิใจนะฮะที่ได้ใช้ของหนีภาษีแสดงสง่ามากนะบ้านคนบางคนที่มีเล่ามีของหนีภาษีเยอะอยู่ภายในบ้านเนี่ยนะฮะแล้วสง่างามเขาก็ภูมิก็เป็นสุขใจแสดงเขายิ่งใหญ่สามารถตบตาเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เนะฮะเอาของเถื่อนมาไว้ไปในบ้านเนะี่ยแต่คนที่มีสีนเนี่ยมันเห็นแล้วจะรังเกียจเพราะมันต้องมีความชัดเจนภาษีเราเนี้ยได้จากที่ใด แต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ไปถามชาซีอะไรนักก็ไม่ได้นะฮะอย่างของกินของใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีไม่น้อยนะฮะที่อาจจะได้มาในทางที่ไม่ชอบทำปรปมาอย่างนี้ว่าทางที่ดีเช่นสมมติว่าของใช้ที่เราได้มาในในทางถูกต้องเนี่ยแล้วอธิบายท่านรู้ด้วยมันสบายใจะนะฮะสบายใจดี หรือพระบางองค์ในท่านท่านละเมียดละไมมากก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งที่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าวาดวัดสัตนาดอดีตเจ้าวาดวัดสัตนาดมันมีคนออขวานมาขวากท่านเอาไว้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาเนี่ยฮะพวกพวกทางานธรรมดาเนี่ยแล้วขวา น, น, นก็มาอยู่ที่กุฏิของท่าน แั้วก็เดีถามหาเจ้าของไม่ได้แล้วท่านก็อึดอัดถ้านก็อดอัดใจกันท่านไม่สบายใจท่านแต่จริงจมันไม่ไมีเกี่ยวอะไรกับท่านน่ยนะฮะก็ามาวางไว้มันก็วางไว้อ่ะเรื่องของเขาก็าไม่มาเอาก็คือเขาไม่มาเอามันคือเราใจก็ไปเกี่ยวมากมันก็ไม่ได้แต่คนบางคนเนี่ยเขาละเมียดละไมเขาต้องมีความชัดเจนก็ต้องมีความโปร่งใสมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วไม่มีปัญหาตรงไหนเนี่ย ก็ว่าสบายใจจ่วงเรื่องนี้เวลานีย้ยที่จริงบางทีนี่ค่อนข้างยากอย่างคนไปไหนเป็นขบวนบางทีมีมีคนเลวแทรกเข้าไปเอาของที่หนีภาษีเอาของผิดกฎหมายเข้าไปอยู่ในขบวนเนี่ยถ้าพระรู้นี่พระพระไม่ได้นะฮะถ้าพระรู้นี่ไม่ได้พระไปไม่ได้ วันพระไปะยุ่งเกี่ยวของหนีภาษีต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยนะแต่ว่าแต่เราไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเราก็รู้ได้ยังไงสมมติเรานั่งเครื่องบินมันจะต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่าวันมีนของหนีภาษีหรือไม่หนีภาษีเป็นเรื่องคนอื่นเราเป็นคนอาศัยเราเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งแต่นั้นเองแต่ว่าความคิดให้มันละเมียดละไมเอาไว้เนี่ยจะเป็นการดีเพื่อ ไม่ต้องเกิดการตกิตตะวงใจที่ีต้องการแต่ของที่เขาให้คือไม่ขวอยควาปรารถนาไม่ขอโยมอย่างนั้นเ อ, อใช้หรือเปล่าอะไรเรียบเคียงนะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ชาวบ้านเนี่ยก็าอาจจะขอกันได้ในหมู่ พ, พ่อพวกเพิ่อผูงคือมันมีหลักอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหลักวิชาศาสะเคยคบกันมาเคยเห็นกันมาเคยพูดกันไว้ นะเคยสั่งเสียกันไว้แล้วก็ถือเอาแล้วเขาพอใจเนี่ยทําได้นะะทําได้ในเงี้ยตรงเนี้แต่เ้าไม่พอใจเนี่ยมื่อทําไม่ได้เพราะให้จริงๆแล้วเนี่ยการขอมันก็ไม่ค่อยดีหรอกไปยรบกวนคนอื่นก็สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุนคคลอื่นหรืองานบางอย่างมันทํายากในตรงเนี้ แสดงว่าอย่างพวกพระทางนักพิชาการเนี่ยมันจะไม่ถนัดในการบอกกล่าวเรื่องเงินเรื่องทองใครมันจะอึดอัดมันจะหมดภูมิไปเลยนะฮะพอพูดเรื่องเงินเนี่ยมันจะหมดภูมิไปเลยพูดไม่ออกพูดไม่เป็นแต่พูดเรื่องอื่นพูดได้ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็คือคนต้องมองนะฮะว่าถ้าเหล่าเนี้ยที่ทํางานทําการในเป็นประโยชน์เนี่ยควรแก่การสนับสนุนส่งเสริมก็สนับสนุน สนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ท่านได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเข้าไปทำงานทำงานของท่านแต่จะขอท่านก็ไม่ขอนะฮะก็ยินดีต้องการเจพาะของที่เขาให้แล้วไม่ประพฤติตนเป็นขโมยอันนี้เป็นปกติวิ ส, สัยเป็นอาการสะท้อนได้เห็นนะฮะ แต่ทอนได้เห็นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวจะไม่ร่วมกินร่วมนอนร่วมไปร่วมอยู่กับคนที่ลักขโมยเนี่ยคือไม่คบกับพวกขโมยด้วยแล้วส่วนส่วนตัวเองเป็นปกติวิสัยก็แสดงออกมาในลักษณะอย่างนั้นทีนี้จะทําทได้อย่างนี้เนี่ยกายก็สะอาดวาจาสะอาดจิตใจก็สงบพอสมควรนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่รู้อํานาจแก่ความโลภที่บังเกิดขึ้น ตอนสัมมารกรรมันตะข้อที่สองคืออธินาทานเนี่ยก็แลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะกลายเป็นเรื่องใหญ่บางกันไม่ใช่เรื่อง เ, เล็กๆแล้วเราจะเห็นว่าเวลานี้มันคนที่พอใจที่จะได้สิ่งอะไรต่างๆซึ่งบางทีเราก็อึดอัด น, น, นะอย่างเช่นวะ่ามีจิตนิมนบางแห่งที่มีขอมันเยอะเกิดของมันเยอะแล้วเกิดมีคราวหนึ่งหลายปีมาแล้ว ได้รับนิมนตะ์นะนิมนต์ไปก็จังหวัดรอบๆใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยบอกให้เตรียมรถปิกอัพมบรรทุกธทยธรรมด้วยโยนใบดีกาทิ้งทันทีเลยไม่ไปมันมันคล้ายๆอะไรใกล้ๆเราไปรับจ้างทำอะไรให้เขาอแม้ตรงนี้มันดูแลเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากความพอใจความสมัครใจ เป็นการประกวดประขันเป็นการหาเจ้าภาพมารับกันคนละชิ้นคนละส่วนอะไรต่ไรก็ในการแข่งขันกันเพราะในแนวตัวนี้ที่จริงก็ไม่น่าจะใช้นะแต่เราก็ใช้กันจนเป็นแฟชั่นไปแล้วก็มันเพิ่มรายได้กันไปเรื่อยเพิ่มรายจ่ายกันไปเรื่อยๆก็ต้องดิ้นรนควงควายสแสวงหาในสุดไอ้ของได้มามันไม่ค่อยสะอาด แลยมีโยมคนหนึ่งเคยมาเล่าว่าถูกเรียอะไรผ้าผ้าเช็ดตัวนะฮะผ้าเช็ดตัวเนี่ยตั้งห้าร้อยผืนนะเพื่อจะเอาไปประกวดกันเนี่ยประกวดกันอย่างเงี้ยนั้นแสดงมันไม่สะอาดคือไปยินดีในของที่เขาไม่คิดจะให้แต่ว่าไปบีบคั้นไปข่มขู่ไปปลุกร้าวอะไรแต่ไรให้เกิดการแข่งขันการบางทีก็เล่นน้ามองหน้ามาอะไรแต่ไร บางทีหน้ามาเยอะนะฮะพวกพวกกิจกรรมในรัษณรเนี่ยเห็นไหมศีลแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราจะรักษาให้ได้มันรักษาไม่ง่ายแต่ถ้าตั้งใจสำรวมระวังแล้วมีพื้นจิตมองสอบประชีวิตโดยเมตตาเนี่ยศีลตรงนี้จะเกิดขึ้นมาได้เองโดยอันตโนมัติปัญหาสาคัญว่าพื้นฐานความเชื่อเรื่องบุบบญคุณโทษนั้นต้องมีอยู่ภายในใจด้วยทั้งทางทางไ แต่ลมพปฏิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่องามไพบูรณ์ในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี